กูายในสายตาของพ่อของพี่น้องมันก็ต้องอาศัยความอดทนซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นความเสีสละนะต้องอาศัยการลดละตัวตนมากก็นับนานถึงนาะที่เด็ดกเจ็ดวนี่เขาคิดไดขนาดนี้ที่จริงนะไม่ใช่พ่อแม่ก็เหมือนกันนะบางทีพ่อแม่นี่จะจะรักลูกเนี่ยนะความปรารถนาดีของ